สำหรับคนไทยทั้งประเทศนะวันนี้คือวันแม่นะเป็นวันมงคลวันหนึ่งนะในรอบปีวันแม่นี่เขามีไว้เพื่ออะไรนะก็ เ, เพื่อเรารึกถึงบุญคุณนะของแม่นะบุญคุณของแม่นี่มีมากมายเพียงใดอันนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าเรารึกถึงบุญคุณของแม่นี่ไม่พอนะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยตอบแทนบุญของท่านเนี่ยนะ ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากไปกว่าการพาท่านนะไปกินข้าวนอกบ้านนะในวันนี้หรือว่าไปเยี่ยมเย็นท่านที่บ้านหากว่าแยากไปอยู่ที่อื่นเอาความดีที่พึงมีหรือพึงกระทำต่อแม่นี่เนาะมันต้องทำทั้งทุกวันโดยเพราะเอาชีวิตของเรานี่แหละนะเป็นเครื่องตอบแทนบุคุณของท่านอ โดยการทำความดีให้ท่านได้ชื่นชมเพราะว่าผราไม่มีแม่นคนใดนะที่จะเห็นลูกผิดศีลประพฤติชั่วตรงข้ามนะไอการทำความดีของลูกเนี่ยแม่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่เลยนะเช่นการมีศีลมีธรรมความซื่อสัสต์สุจริตมันก็สร้างความสุข นะความปิติให้กับผู้เป็นแม่เรียกว่าเป็นการต่ออายุท่านให้ยืนยาวขึ้นก็ได้แต่แน่นอนนะมันก็จะเป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรดีๆให้กับท่านบ้างหรืเพาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะลูกๆซึ่งหลายคนก็ทำงานรัดตัวจนไม่มีเวลาไปเยี่ยมท่านนะก็ควรใช้วันเนี้ย เป็นโอกาสดีที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านพาท่านไปเที่ยวหรือจะดียิ่งกว่านั้นคือว่านะโอกาสทำพิธีขอคมาท่านอะไรที่เราทำไม่ดีก็ขอคมาท่านล้างเท้าท่านนะก็ได้นะบางคนไม่กล้านะกระดาษไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เริ่มวันนี้แหละนะเอาวันสิบสองเส้งหาวันแม่นี่แหละนะเป็น เป็นจุดเริ่มต้นนะของการทําดียิ่งกว่าที่เคยทําบางคนไม่เคยบอกรักแม่เลยนะไม่กล้าบอกกระดาษนะก็ควรจะบอกท่านในวันนี้หรือว่าจะกอดท่านก็ได้นะเพราะว่าบางทีการสวมกอดเนี่ย โดยลูกเนี่ยนะมันก็มีความหมายสองผู้เป็นแมนะ่บางครอบครัวนี่ไม่สัมผัสกันเลยนะัเนื้อตัวแต่หารู้ไม่บางทีผู้เป็นแม่นี่ก็ปาถนาการสวมกอดของลูกนะั่นก็เป็นการสื่อความรักอย่างหนึ่งอย่างแล้วก็ตามนะเวลาพูดถึงการสํานึกในบุญคุณของแม่และตอบแทนบุญคุณของท่านเนี่ยหลายคนก็รู้สึกลําบากใจนะ เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้เป็นแม่ความรู้สึกที่โดดเด่นมักจะเป็นก็คือความน้อยใจนะน้อยใจแม่ที่ต่อว่าเราน้อยใจแม่ที่ใช้อารมณ์กับเรานะจดจำคำด่าว่าของท่านได้ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าท่านไม่รักเราอันนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าเรามองข้ามความดีของท่านหรือเปล่านะความดีที่ท่านทํากับเรานี่ถ้าจะนับเป็นจนํานวนครั้งนี่ก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ว่าความไม่ดีของท่านหรือว่าสิ่งที่ท่านทําให้ถูกใจเราเนี่ยก็ย่อมมีบ้างเพราะท่านเป็นผูุ้ชนบางครั้งท่านจะด่าว่าเรา อาจจะเพราะความหวังดีหรือบางทีก็เป็นเพราะความโกรธจริงๆแต่นั่นก็เป็นธรรมดาปุถุชนน่าที่สมานคือว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ดีกับเราเนี่ยมันจะว่าไปแล้วก็น้อยมากเมื่อเทียบความดีที่ท่านทำให้กับเร า, าท่านทำดีกับเราเนี่อาจจะ 99% หรือ 95% อาจจะมี 5% หรือ 10% ที่พังพลาด ด้วยอารมณ์วิสัยตามวิสัยปุทุชนแต่ถ้าเราเนี่ยไปจดจอ่อจดจำนะประทับแน่นเฉพาะแต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับท่านนะเพราะว่าความดีที่ท่านทำนี้ให้กับเรามีเยอะหลาย10เท่าเนเมื่อเทียบกับสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้เรามักจะมองลบแล้วก็ตราตรึงในในเรื่องล บ, ลบ จนมองข้ามสิ่งที่เป็นบวกนะลองเปิดใจให้กว้างนะแล้วก็สอดสายดูว่าเนี่ยท่านทำดีกับเรามากน้อยแค่ไหนก็จะพบว่ามันมากกว่าความไม่ดีที่ท่านทำกับเราบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยโอ๊ยน้อยใจแม่ที่แม่รักพี่มากกว่ารักผู้ชายมากกว่าเราเป็นผู้หญิง ไอการเปลี่ยนเที่ยวแบบนี้บ่อยครั้งก็ทําให้ทุกข์นะการที่แม่รักพี่มากกว่าไม่ได้ไหมายความว่าความรักที่ท่านมีกับเรานี่มันจะน้อยลงนะหรือว่ามันจะได้คออ่าถ้ามองให้ดีอาจจะพบว่าไม่มีใครรักเรามากเท่ากับแม่แล้วแม้ความรักที่ท่านให้กับเราอาจจะน้อยกว่าความรักที่ให้กับพี่ชายหรือน้องชาย เช่นให้พี่ชายร้อยน้องชายร้อยแต่ให้เรา95แต่95นี่มันก็เยอะที่สุดแล้วแหะเท่าที่เราจะพึงได้นะจากมนุษย์ในโลกนี้คนที่เหลือนอกนั้นนี่ก็ให้ความรักกับเราเนี่ยไม่ถึง95อย่างมากก็เก้าแทนที่ไปเทียบกับร้อยที่ท่านให้กับพี่ชายน้องชายนะมาเทียบกับ 70-80 ที่เราได้จากคนอื่นดีกว่าแล้วเราจะพบว่าความรักของแม่นี่มัน มันมากที่สุดเท่าที่เราจะได้รับล่ะนะจากคนคนหนึ่งในโลกนี้ในชีวิตนี้และคิดแบบนี้มันก็ทําให้เร า, เ, าเกิดนะความซาบซึ้งในบุญคุณในความรักของแม่มากขึ้นและทําให้เราเนี่ยอยากจะทําความดีนะให้กับท่านแต่พูดถึงความดีแล้วเนี่ยนะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจะทําดีกับท่านอย่างไรถึงขนาดเอาท่านวางไว้บนไหล่นะ สองข้างแล้วก็ปรนิบัติท่านจนท่านอายุครบร้อยปีนะพาท่านไปไหนแต่พาท่านไปไหนแต่ไหนเนี่ยด้วยการเทอมในบนไหลสอข้างดูแลท่านจนครบจนอายุร้อยปีไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ําให้ก็ยังทดแทนบุญคุณของท่านไม่หมดแต่สิ่งหนึ่งที่จะทดแทนได้ก็คือการที่พาท่านเข้าสู่ความดี คือช่วยท่านเห็นธรรมให้ท่านเนี่ยมีธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยนเป็นอริยทรัพย์นะจะพาท่านไปเที่ยวนะจะมากราบท่านวันแม่นี่มันก็ไม่มากพอหรือแม้แต่จะเลี้ยงท่านนะดูแลท่านจนตลอดชีวิตด้วยเงินด้วยข้าวปลาอาหารก็ยังถือว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านเท่ากับพาท่านนะได้มา เห็นธรรมหรือเข้าถึงธรรมแต่ว่าทางั้นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปยัดเยียดท่านนะให้ฟังธรรมหรือว่าพาท่านเข้าวัดทัด้งที่ฝืนใจท่านหรือว่าเปิดเทปธรรมะให้ท่านฟังไอ้เรื่องธรรมะนี่มันบังคับไม่ได้นะแล้วก็ไม่ควรยัดเยียดลูกนี่ถ้าใส่ใจเรื่องนี้ก็ต้องหาอุบายในการที่จะพาท่านนะเข้าหาธรรมะ บางคนก็ใช้บายด้วยการบวชซะเลยนะบวชพอลูกบวชแม่ก็หล่อน้องพ่อเนี่ยก็จะเข้าวัดพอเข้าวัดแล้วก็มีโอกาสทีได้ฟังธรรมะหรือชวนท่านทำความดีบริจาคเงินนะเป็นต้นนะหรือว่าที่ดีสุดคือทำความดีให้ท่านเห็นเป็นแบบอย่างอยากให้ท่านคลายโกรธลูกก็ต้องแสดงถึงความเป็นผู้ที่สงบเย็น ไม่เจ้าอารมณ์ให้ท่านเห็นให้ท่านสัมผัสได้หรือว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้เห็นท่านยึดติดถือมั่นมากก็เราก็แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของความปล่อยวางนะหลายคนอย่าให้แม่ปล่อยวางแต่ตัวเองนี่ยึดติดถือมั่นเหลือเกินอย่างนี้ก็ไม่มีทางพาท่านเข้าหาธรรมะได้อันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันแม่ของชาวไทยแล้วเนี่ยมันยังเป็นวันพ่อนะสําหรับ ชาววัดป่าสุขโ ต, โตด้วยเพราะว่าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนถ้าท่านมีอายุจนถึงวันนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าอายุ87ล ะ, ะ86หลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่านะชีวิตของท่านที่เหลือเนี่ยครึ่งหนึ่งก็เพื่อการปลูกป่ารักษาธรรมชาติอีกครึ่งหนึ่งก็สอนคนให้เข้าใจนะเรื่องของชีว จ, จิตใจหรือสอนกรรมฐาน ในในวันพ่อเนี่ยหรือวันหลวงพ่ อ, อเขียนนี้นะในเมื่อเป็นวันสําคัญสําหรับเราเนี่ยก็นอกจากเราลึกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็ควรตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการสารต่อความดีที่ท่านทําสิ่งดีๆที่ท่านได้บําเพ็ญซึ่งอย่างหนึ่งก็คือการปลูกป่ารักษาป่าสุกโตนี่จะไม่ร่มคลึ้มนะ รมเย็นเท่านี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อเอาใจใส่อีกที่หนึ่งก็คือที่พูหลงนะซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องทำงานหนักนะเพื่อการฟื้นฟู ป, ป่าท่านก็เคยไปจำรรษาสุดท้ายที่นั่นนะเพราะหวังว่าจะได้ดูแลป่ากระตุ้นให้มีการรักษาป่ามากขึ้นเังนั้นในวันนี้เนี่ยเมื่อวันเมื่อเป็นวันที่เราลรึกถึงความดีของหลวงพ่อเราก็ควรจะสืบสานความดีของท่านนะ ก็เลยจะไปปลูกป่ากันนะนปีนี้ก็จะมีโรงพยาบาลชัยภูมิไปร่วมด้วยนะอันนี้เราก็ถือว่าไปทำความดีถวายกับท่านเป็นอัจฉริยะบูชาซึ่งก็ไม่ได้ดีต่อเราเท่านั้นดีต่อโลกด้วยนะ